أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ يتحدون النار وإذ يتح. ตระบรูอินคุณละคุมْบُอาฟะฮ์ลัณตุมุนุนอันนาณซีบัมอินนาอัลฟะฮ์ลัณตุ ن ุนุนอัน ن าณซีบัม <ت> ك มารูอินนักุ فيها อินนุลลอฮฺก้ามนัดอิ قال الذين في النار ي خ ض د و ن تجاهنا أدعوا ربكم يخف عننا يوم من, من العذاب أدعوا ربكم يخف อันยาุม م น ا ัลฮะบโอลออ ل ลัมตะต ت ดิุมรุษลุคุมบิลเบญน ا าโอลออาลัมตะคุตะติคุมรุษล قالوا بلا قالوا فدعوا وما دعا الكافرين إلا في ضلال وما دعا الكافرين إلا في ضلال ر س ُ ل ن ا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. ويوم يقوم الأشهاد. ويوم يقوم الأشهاد. ِ ل ح م ا لله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أ ن ف س ن ا ومن سئات ي أعمالنا، م ن ي ه د ه الله فلا م ض ل ل ه و م ن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن م ح م د ا عبده ورسوله، اللهم بك أ ص ب ح ن ا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أعوذ بكلمات الله ا ل ت ا م ت من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو ا ل سميع عليم رضيت بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد رسوله اللهم إني أعوذ بك من الكسل و ء ا ل ك ب ر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء وملكه شر ولا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشرك وأن أ ق ت ر ف على نفسي سواء أو أجره إلى مسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد و و ع ل ى كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده بعدها ربي أ ع ذ ب ك من الكسل وسوء الكبر ربي أ ع ذ ب ك من عذاب في النار الحمد لله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه ว่าเจ a ตาอาร์ชีฮ b วามิดาเดกัลิมัติยาฮัยูยาควิยุมบรหัมดิค่าอัตติกิสอัลลิฮิชาอ์นิคุลลาหูวะลาติลนิอีลาเนฟซีทัลฟะตัยลินฮัสบิอัลลอฮุนยามัลวะกินนี่เป็นดุอาตอนเช้านีทั้งหมดหน่บเก้องั้มาอ ทำโดยแล้วพี ah, un ่น un ้องที่ร่วมนมัสบารที่มัสยิดอันวาิสุนาที่รักทั้งหลายครับและพี่น้องที่ติดตามตับเซฟอูอทร่านั่งอยู่ที่บ้านท่านเราไม่ได้หยุดเลยนะแต่กอรีฮัิดหยุดลำมามาลำบากนะด้วยความเมตตาของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เรานั่งอ่านอูอานที่มัสยิดนี้นะอาทิตย์ละ หนึ่งชั่วโมงไม่เยอะนะไม่เยอะเรก็นี่เป็นความเมตตาของอัลลอฮ์นะอย่าอย่าคิดว่าเราเนี่ยเก่งไม่ใช่เนี่ยร้อยเมตตาเราสงสารเราให้เราเตื่นมาหนมาตะฮันยุดให้เรามีสุขภาพแข็งแรงบางวันก็ให้ให้เราป่วยบางวันให้เราก็มีคริตเครียดบังอะไรบ้างนี่เป็นการทดสอบจากอัลลอฮ์การดุจยานี่สังเกต น, นะ ไม่มีอะไรถาวรสบายก็ไม่ไม่ถาวรเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ถาวรอยู่ไม่กี่วันหอกอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วก็หายแตน่นบีเคยป่วยหงเดือนเป็นกรณีตัวอย่างให้พวกเราได้คิดนะครับก่อนที่จะอธิบายกุรานายะที่สี่สิบเจ็ดซูลอฟิหรือมุนมินผมอ่านเป็นภาษาอุรดูนะครับ บอกว่าริสกีเราในห่วงริสกีใช่ไหมว่าอยากจะกลัวกลัวจะได้น้อยอยากจะได้เยอะๆหนึ่งแต่นี่คนถ้ากลัวริสกีเนี่ยจะได้น้อยเนี่ยอย่าทําสิ่งเหล่านี้อย่าทำไนงะข้อที่หนึ่งท่านซัลมานฟาลิซีนี่เป็นสาว บ, บานอบดุลเลาเล่าให้พวกเราฟัง ถามว่าเอาความรู้นี่มาจากไหนเอามาจากนาบีทั้งหมดมนแล้ผมเช็คได้ประมาณเอาสักสิบข้อก็แล้วกันนะข้อที่หนึ่งอย่า ก, กินอาหารต่อหน้าศพ บ, บ้านคนตายึือเราก็สอนมันมาตลอดนะอย่า ก, กินอาหารบ้านคนตายและศพวางอยู่บนบ้านเขาเพราะผมเคย เคยไปเยี่ยมศพแล้วเห็นพวกเราเนี่ยทานกินข้าวด้วยกันไอเรามานึกเ <c oughs> พราะว่ามีคำห้ามเอาไว้นะ <c oughs> นอกจะหิวจริงๆก็เอาว่าไปเรื่องหนึ่งนะฉะนั้นอย่าไปกินอาหารต่อหน้าศพ บ, บ้านคนตายข้อที่สองน้ำมานในขี้เกียจน้ำมาก็อย่างนั้นยกมือขึ้นอยากจะทั้ง ไปนอกนี่แหละจะนํามาซึ่งความรุสกีคุณเนี่จะฝูดเครื่องตลอดเรื่องที่สามชายภาชนะแต ก, แตกที่แตกแล้วนะยังประหยัดนะนะอย่างแก้วแตกเนี่ยที่ปากมันแตกแล้วน่าจะโยนทิ้งใช่ไหมล่ะเอามาใช้อีกระวังมันจะบาดปากคุณอนะ่ะ <c oughs> ข้อที่สี่นะครับยืนใส่กางเกงยื้ออายุเยอะ อายุเยอะๆเนี่ยอยายืนใส่กางเกงนะ่นงพงน่องภา้าพยายามน่งกางเกงวะเนี้ยอย่ายืนใส่กางเกงโอกาสที่จะล้มมีไมมีแล้วจะนำมาซึ่งริสกีขาดแคลนนะครับเรื่องที่ห้าอย่าเอาปลายนี่นะอย่าเียบเสื้อดีใช่ไหมเช็ดปากบริทานอาหารที่ชู่ไม่มีภาเนาไม่มีทังนี้เลยเช็ดอย่าทำ นอิสลามสอนดีขนาดนี้นะเราทัได้ลยแล้วต้องขอบคุณตลอดนะข้อที่ห้าอย่าทำให้พ่อแม่เสียใจต้องประคองเอาไว้นะพ่อแม่ญาติพี่น้องขอบครัวเนี่ยต้องประคองนะอย่าให้เขาเสียใจนะนันต้อง ถ้าถ้าเราไม่ไม่ประคองพ่อไม่ประคองแม่ไม่ประคองญาติพี่น้องเรานะรีสกีจะน้อยเห็นยังครับนี่เป็นข้อเตือนใจทั้งหมดนี่นะต่อมาข้อที่ข้อที่เจ็ดกินอาหารโดยไม่ได้ล้างมือวันนี้เราก็อ้างอ่ะที่ฉันไม่ล้างมือเพราะเรากินด้วยอะไรกินด้วยอะไรกิน้วยช่อน เห <diz ement> ไมล่ะนี่นบีเนี่ยพุกสอนชาบ้านนบีอะในวันนี้เราเองเ น, น pues, ี่ยไม่ได้ล้างมือแล้วนะพอเรากินด้วยช้อนจะกินด้วยช้อนหรือไม่กินด้วยช้อนก็ตามต้องล้างมือก่อนทุกครั้งเพราะงทีอาหารมันร่วมลงไปเอาได้หยิบอะหรือว่าโยนทิ้งไปเลยก็บนบ้านเราบ้านเราสะอาดเนี่ยแล้วก็เก็บก้มไปหยิบเป็นเนื้อทอดอย่างเงี้ยถ้ามือสุกโป่กอ่ะ เนี่ย อ, อิสลามเนี่ยสอนหัวอับลบบดคำเดีดีแล้วต่อมาข้อที่แปดไม่ให้ไม่ให้เกียรติแขกแขกไปมาที่บ้านนี้ถ้าลบได้ลบหรือว่ามีแขกมาก่อนดูแลไม่เต็มที่น่าจะมีห้องสว่งหนึ่งอว่าน่ามีพัดลมเย็นๆเอาให้แขกนั่งต้องดูแลแขก รู้ป่ะคนที่ต้อนรับแขกคนแรกของโลกนะใครนบีอิบราฮิมเลยอิสลาแล้วแขกที่มาเนี่ยเป็นมาเลยก์กาท่านไม่รู้ก็มาเป็นคนอนี้แหละท่านก็โอ้เอาแกะเนี่ยไปย่างแล้วเอามาวางมาเลย์กาก็ไม่ทานเลยเพราะเป็นมาเลยก์กาอิบราฮิมกลัวมากเลยเอ๊ะทาไมแขกไม่ทาน แสดงตัวเด็กเด้ออเรารู้แล้วอ๋อเเป็นมาลย์ก้อาอ๋อลาเนะจะนั่นการไม่ต้อนรับแขกในการไม่ให้เกียรดแขกเนี่ยอันนี้จะทํามาซึ่งบารากัดในชีวิตเนี่ยจะลดน้อยลงต่อมาข้อที่เก้าฉีแล้วตรงนี้ที่ฉีของเราใช่ไหมก็อานน้าน้มาในที่ฉีนั่นแหละอย่าไปทําอ่าที่เดียเราฉีบางทีเราก็ บางที่บ้านเราเนี่ยเราบาที่เราก็ไม่ได้ระวังเรื่องนี้นะนะนึกว่าที่ชีกับที่อัมนะนามาทีเดียวกันเลยที่อัมนะนมาก็อีกที่หนึ่งนะแล้วก็ที่ชีก็อีกที่หนึ่งนะครับต่อมาก็ที่สิบนามาสุโบเซ็ตแล้วเนี่ยรีบออกเลยเขจึงต้องนั่งก่อน นั่ง سبحان อัลลอฮฺ سبحان อัลลอฮฺ سبحان อัลลอฮฺ سبحان ละมีดูอาตั้งเยอะแยะอย่างน้อยสิบเกาดูอาเนี่ยต้องท่องมานั่นคนที่มาลมาดสุบะถิมอเดรกรีบปับป อ, อให้สลามปับฉันออกละคือยิงมาวิชาจำเซกสอนใช่ไหมไม่เคยฟังเลยเดินทวดขอบ ก็ติดนิสัยแบบไม่ฟังแล้วก็มาได้ว่ากันนะแต่นี่เล่าให้ฟังว่าคนที่เอาเมตยาที่ไม่ดีอย่างนี้นะเอามาใช้เนี่ยริสกีตัวเองเนี่ยริสกีจะเาเรียกว่าฝืนเครืองนะครับเอาไปส0บข้อก่อนนะครับัมดูแล้ววันนี้เรามาเจออายะที่สี่สิบเจ็ดนะครับสืบเสือกเนื้องมาจาก อ, อ, อะไรนะผู้ตาม ผู้นำมีใช่ไมละ่ะลูกๆน้องมีทะเลาะกันเถียงกันอะไรกันใช่ไหมนี่เป็นญาติของฟาโรนะญาติของฟามร น, รนที่ประกาศตัวรับอิสลามแบบเงียบๆไม่มีใครรู้และภาษาที่ท่านพูดเนี่ยพู ด, พดออกไปเตือนออกไปแล้วก็ทั้งฟาโรจับได้อะ <c oughs> เองเนี่ก็วางแผนที่จะฆ่าใช่ไหมแล้วเขาหนีอ่าแล้วก็ถามว่าอาดุอาบทไหน ซึ่งอัลลอฮ์ได้คุ้มครองเขาดดอาก็คือว่าไงนะอุฟาวิดอัมรีอิลลอห์อาญาที่อะไอุฟาวิดูอัมรีอิลลอห์อฟาวิดูอัมรีอาญาที่สี่สิบสอ่าอุฟาวิดูอัมรีอิล ล, ลอห์อรู้ลลมรลลรไม่แปลว่าวอะไรฉัน ขอมอบภารกิจของฉันแ oh, ด่อัลลอฮ์องดีฟาโรสันจับมาก็นีพอหนี้นี่ไม่ใช่หนีอย่างเดียวนอะตบาบันหนีอย่างเดียวไม่ใช่หัวใจ น, นนนะจนี่นึกโอ้ฟาโรสินิเบานาเจ้านั้นอ่านอ่านดูอ่านเจ้านัน้นอ่านดูอาไอ้เนี่ยว่านี้เน่นนนะผมได้ยินเรื่องมะหลายคนนะ ที่ผมมาเที่ยวกรุงเทพแต่ผมไปต้อนรับเนี่ยผมเดินข้างๆข้า ง, างๆก็เนี่ยเขาจะพูดคํานี้นะจะต่าเชคอมัมร์เนี่ยว่าทมุนเต็กอุสมเอากอ้อของซาอุดีนะจะพูดคํำนี้ประจันอุฟาวิอุอัมรีอิลลอห์อุฟาวิวอุดภาษานี้ยมันดีเนี่ยก็มาวั น, นี้มาเจอแล้วไงคำ น, นี้เป็นคำการขออุหะขอความคุ้มครองจากศัตรูที่วางแผนจะเล่นงานเรานะครับดีที่สุดครับ وَإِذْ ي َ ت َ ح َ ا ج و ن َ فِي النَّارِ فَيَقُولُ ا ل َّ ع َ ف َ ا ء ُ ل ل َ ذ ِ ي ن َ اسْتَكْبَرُوا إِنَّكُنَّ لَكُمْ ت َ ب َ ا َ فَهَلْ أنتم م غ ن ُ و ن عنا نصيبا من النار الحمد لله الله أكبر قرآن ใหญ่ละวิปราว فن و إذا ت َ ا ج ن َ في النار فيقول الدعاء ل ِ ل ذ ي ن ตะเกบ b a r อินนักุณณาละกุมตาบะฟัลอันตุมมุนนอันนานาซีบัมมินันนารมาดูศัพท์กับอิสแปลว่าจงรำลึกถึง อ, อิสนี่แปลว่าจงรำลึกถึงให้นึกประวัติศาสตร์ในอดีต จงรำเลือกถึงเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงทั้งหมดเหตุการณ์จะเกิดขึ้นนี่เกิดขึ้นในในในในวันอาคิร้อเนี่ยคนที่ไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอารอซูลไม่เชื่อวันเตียมะและไม่เชื่อกอรกอรดัอะไรทั้งหมดที่แอนตี้อิสลามประงหมดนี่นะไม่เชื่อไม่ศรัทธาวันนี้คนที่ไม่เชื่อเนี่ยอัลลอ์ให้เขาอยู่สบายเห็นไหละ่ะ มีบ้านใหญ่ๆมีเมียมาตกแต่งด้วยเหลือบดารงดาราที่เราขาดออกมาเราเห็นใช่ไหนี่ไะมีที่ดินพันไ ร, ไรสองพันไรแล้วก็มีสารพัพดุญตุยานี้แต่ขาดอิมานอย่างเดียวขาดตะกววยาตีนยาสารอิสลาสคาสุน่านบีไม่มีทางออกสำหรับชีวิตก็หลงดูยายิ่งหลงยิ่งละโมบยิ่งหลงลึงละโมบ ยิงเถียงยิ่งทะเละโอสัตที่เราเห็นฮนะสภาพาแั้วกามองมแค่นี้นะอย่าแตะเยอะอว่าอิสยาตาาจูและจงรำลึกถึงเมื่อพวกเขายาตาาจูแปลว่าต่างคนต่างโตเถียงกันอยู่บนดุน ญ, ญานี้โตเถียงกันยังไม่พอนะตามมาไปโตในวัานไหนฟินนาร์เหยัยไห น, ไหนในไฟนรก นี่ยร้อเล่าให้ฟังคับไม่เชื่อก็ไม่มีปัญหาหรอกเราไม่ได้บังคับใครใครก็เชื่อตามฉันนะเชื่อกุอานะเนี่ยร้อนเล่าเองนะในไฟนรกนั้นพวกเขาจะโต้เถียงกันใครกับใครโตเถียงกันเฟย์กูรุดดูอาเฟดูอาฟ้ามาจากดอยฟ์แปลว่าคนอ่อนแอกับพวกลุกน้องนั่นแหละที่เดินตาม หรือพูดง่ายๆว่าพักนี้อ่าและลูกน้องที่เดินตามหัวหน้าพรักเข้าใจง่ายแน่ๆหนึงนะทั้งด้านศาสนาและสามัญทั้งด้านศาสนาและดุนยาคือกรนี้ครูที่สอนศาสนาที่พาคนหลงมีมั้ยมีครับพาคนไปไม่ถึงอัลลอฮฺแล้วเราสู้พาไปแค่นี้แหละแล้วก็ไม่ถึงอัลลอฮฺไม่ถึงเราสูล มีไหมมีครับแล้วก็นับการเมืองก็มาการพาไปหาแค่อะไรนะแค่หาความสุขแตกกันแนงแค่นี้พอแล้วใช่ไหมเมื่อไปวันกิยามาเนี่ยรอเล่าเลยนะคนที่ไม่เอาอัลล์ไม่เอารรูนจะเอาอะไรก็ตามแต่จะทะเลาะกันเองจะโต้เถียงกันเองใครโต้เถียงกับใครนะอัลโดอาฟาคนที่อ่อนแอ จะพูดกับลิน ล, ลีนัสตักบารูกับบรรดาผู้ที่โอหังพวกที่โอหังเนี่ยอัลลอ์เล่าให้ฟังนะคนที่ไม่เอาอิสลามวันนี้เนี่ยนะอลัลลอ์ให้ชีวิตสบายแต่อลัลลอ์เรียกเองเนี่ยเป็นคนโอหังคนโอหังเนี่ยอุลามาอธิบายอย่างนี้ในตำซิษหลายๆเล่มนะครับในบริบวีมีตำสอิมุกซีหลายเ่มอธิบายบอกว่าคนที่ ใช้ความคิดตัวเองแทนที่จะเอาความรู้ผ่านนาบีผ่านอลัลกุรอานมาใช้ความใช้ความคิดตัวเองนําประชาชนแบบฟาโร่เห็นไหมฟาโร่เนี่ไม่เอาความรู้ที่ผ่านวาฮีผ่านนาบีมูซามาไม่เอาเลยนะแต่เอาความรู้ของตัวเองรู้ไหมฟาโร่เนี่ยหาเงินเก่งหาอย่างไงรู้เป่าครั้งแรกเนี่ฟารโร่มีอาชีพทําเนี่ย เฝ้ากูโบมีอาชีพทำไรได้เฝ้ากูโบมันเฝ้ากูโบยังไงนะหาเงินได้อ่ะเก่งนะาดูเลยล่ะเขาก็เลยยกตำแหน่งให้เองดูแลประเทศเลยไปเฝ้ากูโบหาเงินได้น่ะโอ้โหอาวุธพ่อกูโบกูโบจะเกลียดั้ง คามจริงกูบอมันไ่ชที่หาสตังนะมันที่หายอะไรที่ไปนึกถึงความตายแต่มันหาสตังได้อะนี่หาในทางที่ผิดแบบนี้เนะี่ยต้องระวังตัวให้ดีนะครับอินนากุณนาลักุมตาบาตาบะแปลว่าเป็นผู้ตามตาบะแปลว่าผู้ตามอินนากุณนะแท้จริงพวกเราเนี่ยเป็นผู้ตามท่าน นี่โทษได้ไหมลูกน้งนองโทษหัวหน้ า, าคนที่เดินตามตัวอิหมามใช่หมหก็จะไปด่าอิหมามในนรกต ร, ตรงนรกก่อนคนที่ทำผิดแน่แล้วไม่ยอมตอบ้าตัวต่อแล้วอาจจะไม่รู้ก็ไดอ้อาจจะมาได้ฟังกุรานฮั ด, ดิสเยอะใช่เอาฟังแต่เนี่ย่ความรู้ที่ไม่ถึงอัลลอฮฺละซูละทีนี่นะถูกูกถูกู ก, กลงโทษหมดนะ แล้วก็ลูกน้องเนี่ยก็จะจะอะไรนะจะโต้เถียงกับผู้นำของเขาว่าอินนาละกุมตาบัลแท้จริงฉันเนี่ยเดินตามคุณอยู่นะบนโลกดุงยาเนี่ยเดินตามมาตลอดฟาฮันอันตุมมุกนูนท่านแปลว่าเป็นคำถามได้ไหมอันตุมทา่ทานทั้งหลายมุกนูนช่วยให้ช่วยให้พ้น พวกท่านเนี่ยช่วยให้เราพ้นจากนารีบันส่วนหนึ่งมินานาจากไฟนรกผู้ตามถามหัวหน้าว่าว่าพวกท่านเนี่ยจะช่วยให้เราพ้นจากการลงโทษสักส่วนหนึ่งของไฟนรกนี้ได้ไหมไฟนรกมันทรมานมีอายะอื่นอธิบายว่าอาลัลลอเอาศิรษะเราในหน้าหนะน้าเราในย่างบนใดนะ บนเตาไฟแล้วก็นึกถึงอะไรเนื้อปิ้งจากเกาหลีอะนะต้องนึกภาพด้วยเวลากินต้องนึกให้เหราวันหนึ่งจะต้องถูกปิ้งอย่างเงีนะ้บางทีเรากินไม่อ่นานพิซซลามี่กินคนเดียวครอบครัวตัวเองคนจนๆมีเรื่องบ้านไม่เคยถามาคนราชการบ้างนะต้องนึกนะอา บ, บูเขาเรื่อยๆเนี่ยเดินผ่านร้า บ, บ้านนาบีบางกลุ่มที่เขารวยๆนะนะเขากินแพะย่างกันนะ โบรลาะมากินด้วกันท่านก็ตอบว่าฉันอยู่กับนบีมาเนี่ยฉันไม่เคยเห็นนบีกินอาหารอิ่มสัมมือนึงลวคุณอยู่ได้ยังไงนี่นบีตามม่กี่วันเองฉันมันต้องนึกมันต้องเตือนกันตลอดเวลาท่านอย่าหลงวัตถุแล้วอย่าอยู่อย่าอย่อยอยลงความสาบายนะอยู่แบบมีปัญหาบ้างเล ย, นะ <c oughs> ยาะที่เป็นตนนะครับเอาตัวลงว่า ย่อม ล, ลึกถึงเนี่ยอรรรษังนะเราจำถึงเมื่อพวกเขาโต้เถียงกันในไฟนรกดังนั้นพวกที่อ่อนแอหรือผู้ที่ถูกกดขี่บนโลกดุนยาจะกล่าวแก่ผู้ที่โอหังมาถึงผู้จะเป็นหัวหน้าหรือคนที่มีความคิดใา้ความคิดตัวเองไม่เอาอิสลามไม่เอาโนานุน่านนบีหาความรู้ที่ถูกต้องมามามาม า, ม า, ม า, ม า, มาปฏิบัติมานำเนี่นะ พูดว่าไงนะอินนาะคุณนาะและกุมตาบานแท้จริงเราเนี่ยตามพวกท่านมาตลอดนะฟาฮละอันตุมมมกนุนนาอันนาะนาสีบามินานะท่านนั้นพวกท่านเนี่ยจะช่วยเราให้พ้นจากการลงโทษสักส่วนหนึ่งของไฟนรกนี้ได้ไหมเป็นอย่างครับนรกมีจริงไหม รอดจริงไหมจริงครับแล้วก็พูดจริงไหมจริงครับเราไปดูในวันเกียกร์มากพราะเรากันครับที่ของจริงทั้งหมดมาต่อมาครับอายาร์ที่48กาลลัะดีนัสตักบารูอินนากุลุมฟีฮาอินนัลลอฮฺกัดฮะกมาเบยนัลไลบาด “قال الذين استكبروا إن كلم فيها إن الله قد حكم بين العباد” น้าอ really ุษม ل ลล ق ا ل الذين استكبروا” อิสติกบานี่แปลว่าเดีพูดที่โอหังฉะนท้นมุสิมเนี่ยโอหังไม่ได้ มุสมิมต้องนอบน้อมทอมตนตลอดเวลาเพราะว่าอิสลามเนี่ยทุกขั้นตอนเนี่ยสอนในมุสมิมแล้วเนี่ยทอมตนใช่ไหมเวลาเห็นหน้าเด็กนบีก็ให้สลามกับเด็กให้ทอมต น, นยังเห็นคนแก่ไปทักคนแกอ่อเห็นของตกให้หยิบสอนให้ทอมตนหมดเลยนะ่ะข้าวห้องน้าต้องนึกเท้าซ้ายนะ่ะรืยเท้าขวาต้องนึกครับ พอหลายคนเนี่ยลมในห้องน้ำแล้วก็ตายเลยก็มีนะเอาลราให้เห็นทั้งหมดเนี่ยนะและส่งนบีมาสอนกอญลลดีนัสตะบารูบรรดาผู้ที่โอหังที่เป็นหัวหน้าคนและกดขี่คนแบบฟาโร่เนี่ยนะกล่าวว่าอินนากุลลุมฟีฮาอินนาไปว่าแท้จริงพวกเรากุลลุทั้งหมดฟีฮาอยู่ในนรก เราทั้งหมดเนี่ยกำลังอยู่ในนรกแล้วเขาจะมาเถียงกันทาไมานี่เรื่องจริงครับเราดูที่ภูนํำตอบได้แค่นี้แหละคนที่มันจะตอบได้มากกว่านี้ใช่ไห ม, มฉันขอสารภาพผิดตตอรอฉันนำคุณผิด ไ, ไม่ไม่กล้าพูดนะนี่เอาล้อเล่านะมันก็ดัน่ะคณะจนทั้งยรกูก็ดกังต้เอีกคคุณเก็ตนกนรก ฉันก็จบนรกแมันทะเลาะกันทำไมอต่อมาครับอินนัลลอฮาก็ฮาการมาแท้จริงอัลลอฮ์ทรงตัดสินอ้านใยอมรับ Allah. อัลลอฮ์ย่างดีนะอัลลอฮ์ทรงตัดสินใบหนลายบาในระหว่างพ่วมเบาของพระองค์แลอย่างยุติธรรมเนี่ยอัลลอ์เล่าเลยคนกาหัวหน้าคนกาเฟตอัฟารโรกัแล้วกันนะจะยอมรับว่าอัลลอ์เนี่ยมีจริงครับยอมรับ นี่สังเกตนะทุกอา ญ, ญ า, านเนี่ยโยงใยให้เรานึกถึงกลยนึกถึงอัลลอ์ตลอดเวลาหรือพูดง่ายๆเนี่ยคนมุสลินอยู่ในสวรรค์ภาษ า, านี้ไม่มีครับนี่เฉพาะภาษาคนที่อยู่บนดุนยาและแอนติอิสลามอ่าดา น, นาบีขวาวสุ น, านาัขนบีความอลัลกุรอานสอนคนไม่ให้เชื่อว่าตาล้วฟื้นแล้วก็คุย โตคุยใหญ่จําได้ไหมที่ฟารุสร้างสร้างอะไรนะสร้าหอใช่ไหมสูงใช่ไหมขัคมคนค้ดสร้างฮามานบอกฟารุสร้างหาาอพอสร้างหอเสร็จขึ้นไปข้างบนฟารุขึ้นไปเองนะพอลงมาพูดว่าไม่เห็นมีพระเจ้าของนบีมูซาเหมือนใครพูดหรือเปล่ารัสเซียครูชอฟ นี่ภาษาอุนดูอธิบาชาดเลยนะในยุคทัตมวเตคุชชอบเนี่ยตอนที่ขึ้นรวมจานไปนขึ้นแล้วขึ้นดาวแล้วอนยะ่นั้นดาวเทียมใช่ไหมเดี๋ยวก็ส่งไปนะไปเหยียบไปมาก็ไม่รู้แหละพอลงมาบอกว่าฉันไม่พบพระเจ้าพูดเหมือนฟาโร่ไหมนี่ไงนิสัยเดียวกันอักากเดียวกันฉะนั้นก็ต้องเจอกันหมดคนเหล่านี้ที่ดาวลอดดาวรซูลก็ต้องไปพูดรุ่นน้อนจะด่าคุณในในในในในไฟนรกนะครับ เอาต่อมาครับคือมาพูดถึงเรื่องเนี่ยคือนบีสอนดู ว, ว่ามีคำคำอธิบาย ว, ยว่าอย่าใชา้ชีวิตแบบคนกาเฟร์อะไรบ้างเช่นอย่าใส่เสื้อผ้าข้างหลังเนี่ยมีไมกก้กางเขนมีรูปสัตว์ เต็มไปหมดก็เข้ามานามามัสยิดนี่เป็นคนโอหังถ้งาใส่เสือ้อสีท่านธรรมบีชอบเขาไม่ใส่อะไรไหรืเปล่าส่อะไรสีขาวอาแต่เมื่อวานไม่เคยธรรมบีใครเนะพราะธรรมบีชอบสีขาวนั้นเองมันสะอาดหูสะอาดตาถ้าใส่เสื้อข้างหลังเนี่ยมีรูปนูน้นรูปนี้ แล้วมายืนอยู่ซอบหน้าเนี่ยคนซอบหลังเนี่ยบางคนน้มาดไม่กูช่วมีใช่ไหบางคนก้กมอยู่ที่สูญยูดท่านไม่มองใครมีไม่มีแต่บางคนมันก็มองอะ่ะ <c oughs> นี่ไงทําให้คนที่อยู่ข้างหลังเราเนมาดไม่กูช่วย้าอาญานี้เตือนกว่ก้อนล้วดีนะสตับบรูอินนากุลุงฟีฮาอินัลลอฮก่อนฮักข้ามาใบน้อยบาเออย่างนี้เป็นตนก็เอาต่อมาครับ อายที see, see, ่49ว่าข้อแลลดีนฟินนาริขฮซานทิจฮะนัมอุดารบบาคุมยุขัฟฟัณณยวมะมินะละดาบว่าข้อแลลดีฟินนาริ ลิข well ้าเจเนติจ <t ri olar> <t ri olar> <t ri olar> ัณณมุตตะรับบักุมยุขฟฟันนยาุมมินาละเจบเมื่อลูกน้องขอร้องผู้เป็นหัวหน้าขอร้องนะหัวหน้าช่วยได้ไหมช่วยไม่ได้แล้วก็พูดตอบว่า อรรถกัลปินีเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมอยู่ในนรกทั้งหมดเมื่อไม่สามารถช่วยกันได้มาดูกรอาญานีวก้อลลีนฟินาดและบรรดาผู้ที่อยู่ในนรกพูดกับใครหรือไม่พูดกล่าวแก่ปวงผู้เฝ้านรกแทนใครเฝ้านรกขจรนาตบอกว่าผู้เฝ้า มาถึงมาเลกาที่คุมนรกอยู่นะเนี่ยลอเล่าภาพเลยนะในเมื่อมนุษย์กับมนุษย์คนชั่วกับคนชั่วลูกน้องกับผู้นำคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วนี่มะขอใครขอมาเลยกะขอร้องมาเลยกะให้ไปพกูกกับลอหน่อยตัวเองเข้าไม่ถึงก็รอแล้วเนี่ยอยู่บนนิญานี่ยังยให้แต่จะเข้าถึงนะยังดา่ารอได้อยู่ ฉะนั้นคนกาเฟตหัวหน้ากับลุงน้องเพื่อกันไม่ได้แล้วและขอร้องมาลาอิกาที่คุมนรกลีคอซานาติจะหันนำ่วมผู้เฝ้านรกว่าอุดายรับบาคุมได้โปรดวิงวอนรับบากุมต่อพระผู้อภิบาลของท่าน เรื่องอะไรครับยู u อฟฟิฟ i ภาษาดูนี่ดีแต่ว่าโปรดลดหย่อนอให้เบาลงหน่อยมันร้อนเหลือเกินนรกเนี่ยขอร้องมาลลยก้าที่คุมนรกให้ขอต่อ All All อัลลอฮ์อีกทีหนึ่งอัลลอ์จะให้บอกพระเจ้าบอกอัลลอ์นะให้ลดหย่อนโทษหน่อยนี่นะโทษตกบทโทษไม่นามาต โทษที่กินอะไรนะอาหารต่อหน้าศพ บ, บ้านคนตายมันมีอาญาหมดนะที่ถ้าทำบ่อยๆบ่อยๆคนตายร้อยคนกินทั้งร้อยคนเลยอะเสร็แล้วมัจะใส่ใจเลยยังไงเป็นมุสลิมนีม่ย ไ, ไม่ไม่ไม่เรียนศาส น, นาได้ยังไงมันต้องเรียนอ่ะอะไรที่ทำผิดอัลลอฮฺประลาน ยอมรับผิดยอมรับผิดยอมรับผิดอย่างนี้ป็นตไม่ใช่ดันธุระจะเอาชนะเอากับใครเลยชนะนะวะก็แล้วีฟินบรรดาผู้ที่อยู่ในไฟนรกกล่าวกับลีคอซานติผู้ที่เฝ้านรกยัน้ำในทุกษาตรอธิบายว่าทำไมใช้ว่ายหารนม จะ ไ, ไม่ไม่มาใช้ว่าอนงาฏย า, านน้ำเนี่ยเป็นภาษาค่อนข้างจะเบานิดหนึ่งเพราะว่าย า, านน้ำเนี่ยเป็นนรกชั้นต่ำสุดแล้วก็เบาสุดใช่ไหมเบาสุดขนาดไหนขนาดยืนบนหินบนไฟสองก้อนเนี่ยเดือดที่ไหน <c oughs> เดือด ท, <c oughs> ที่ไง สางอมเนี่ยเนี่ยเราเล่าให้ฟังเองนี่ยนะโอ้โหอับดับอุณาเราบากุมวิงวอนได้ช่วยวิงวอนขอดูอาต่อพระผู้อิบาลของท่านหน่อยให้ทำอะไรอยู่ข้อฟิฟให้ลดย่อนการลงโทษมันแรงมากลดย่อนใหญ่นะยาวมันกี่วันวันเดียว อลอลดลดสัวันยังได้ไหมละวันของอัลลอฮมีเท่าไหร่เธอาที่เรียนมาพันพันปีห้าหมืนปีช่นนั้นอ่ะทวันยี่สิบสี่ชั่วโมงก็แค่ย4ิบสี่ชั่วโมงแล้วขอแล้วข อ, ขอดวันหนึ่งบนโลกาละวจ้ให้ปะ อ, อนึกซิให้หรือไม่ให้ไม่ให้ <c oughs> อยู่บนบุญยาจะให้คุณมาตลอดเลยนะอ้าว คุณกรดาฉันด้วยฝนตกกระดาแดดออกกระดาพ่อแม่ทำมารีก็เตะพ่อแม่ก็มีสารพัดที่คุณทำผิดมาหมดเลยนี่นะวันนี้คุณต้องถูกลงโทษทรมานเพื่อให้สำนึกตัวต่อร้องสะพานหุะตาลในทัฟซีตอธิบายบอกว่าในในสุรามุมินอธิบายบอกว่าอายาที่107รอเจว่ารบบานาอัคริจนามินหออลให้ฉันออกจากนรกเถิด อีกอายะหนึ่งลายุฟัตต์รัวนุมว่าหุ่มสีหิมบุเบลิซูลการลงโทษจะไม่ถูกลดยนแก่พวกเขาเนี่ยอลัลลอะตอบเลยนะการลดยอนจะไม่ถูกจะได้นะจะไม่ถูกผ่อนบนให้กับคนที่ทรยศต่ออลัอลลอฮ์อัลลอ์ให้แล้วความสูงบนโลกดุญยานี่เอาไปเต็มที่เลยสำหรับใน ม, มิติตัวนต้ครับเอาต่อมาครับ <c oughs> พอคุยกับมาเลกาเสร็แล้วมลกาตว่าไงกอลูอาวัลัมตะกูตะติคุมรูซูลุคุมบิลไบนัดกอลูเบล่ากอลูฟะดูวะมาดาอุลคาฟริ ว่ามา دعاء َُ الكافرين ََِِْ إلا َِّ في ِ ض َ ل َ ا ل ٍ الحمد لله الله ข้อความนี้ดีมากเลยครับเตือนกา و ا أَوَالَمْ تَكُوْتَ تِكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَّ قَالُوا ف َ د ْ ع ُ و ا ว่ามา دعاء الكافرين إلا في َ ل ا ل الحمد لله พะพูดเรื่องการลงโทษในนรกเราก็ด่ากันเองขอร้องกันเองหัวหน้าตอบว่าเราอยู่ในนรกกันทั้งหมดอ่านช่วยกันไม่ได้ไปขอร้อง ม, มาเลยกะ ให้มาเลกาขอจากอัลลอฮให้ลดหย่อนหน่อยมาเลกาตอบว่าไงอ่านดูสิกล็ลูพวกเขาทั้งหลายกล่าวว่าอวาัมตะกุตะเตกุมรูซู ล, ลูกุมไม่มีไม่ได้มีรอซูลทั้งหลายของสูเจ้ามาสอนยังสูเจ้า ด้วยหลักฐานกนนันหรือโอ้โหแสบไหมขอนุนขออนี่ถามว่าก่อนหน้านี้ตอนอยู่โบนโลกดุนยาเนี่ยไม่เคยมีรอซูนของอัลลอฮมอสอนผู้คุณเรอเห็นไหมนี่เรานี่เราเนี่ยเรานี่มองสุนันต์นีเป็นเรื่องเล็กหมดเลยนะ พร้อเล่นเน้นว่าอย่ามองสุนาันนาบีเป็นเรื่องเล็กนะมองสุนาันนาบีเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็นบีที่มาในโลกเท่าไหร่แสนสองมืสี่พันคนที่มีชื่ อ, อ ย, นยูนันนะเรกอ่านยี่ส้าท่านแล้วก็ท่านสุดท้ายเนี่ยประเสริฐที่สุดคืนนอนบีมุฮัมมัดสอลตานุบัสสลัมถ้าเดินตามนาบีเนี่ยตกนรกไหมไม่ตกต้องเดินทุกเรื่องนะ ไม่ใช่เรื่องนี้ไม่ถูกใจกูกูเก็บไว้ก่อนไม่ใช่ต้องพยายามเดินตามสุนัานาะดีเลาเรอเราจะคุ้ม ค, ม ค, มคมอรองหมดเลยก็ลูอวลัมตะกูตะทีกุมรูลุลกุมบินไบยินามาลายกาตอบไม่ได้มีรูสูนทั้งหลายของสูเจ้ามาสอนพวกสูเจ้า พร้อมนำเอาหลักฐานอันชัดแจ้งมาดอกหรืออย่างสมัยนบีมุฮัมมัดเนี่ยสุนนะนาบีนบีประกาศเองนะอะไรกลุ่มบิสุนนตีท่านท้าราช่งยึดสุนนะของฉันแล้วก็มีคํำพีกุ่อ่านมาเป็นคู่มือใช่ไหมฉะนั้นมุสลิมต้องอ่านกุ่อ่านทุกวันและต้องเรียนรู้สุนนะนาบีอนบีนอนยังไงกินยังไงเขาของน้ำยังไง เลาจทะเลาะกันทํำยังไงนบีสอนหมดเลยมันจะไม่สอนอะ่ะยี่สบสามปีของการเป็นนบีเนี่ยสอนทุกเรื่องอถ้านอนก็สอนคิดดูสินอนยังไงเมื่อเริ่มตอนใหม่ๆนอนตะแขงกวา่าเอากอ น, นอนไปแปลรฝันไปอาบน้ำน้ำมาดนี่สุนัขนาบีทั้งหมดเนี่ยจะสงสัยได้มันจ้องมองผู้หญิงได้มันสอนทุกเรื่องอแต่เรามันจะใส่ใจไง พอไม่ใส่ใจภาพก็ก็ถูกลงโทษก็มรดกกระดาอีกไม่มีรซูนมหาคุณเลยอ่นดูคำตอบก็รู้พวกเขาตอบว่าบารามีมาแน่นอนก็รู้ฟ้าดาเขาทั้งหลายเปลว่าดังนั้นพวกท่านจงวิงวอนกันเองเถิด ฉันไม่ขอให้ราซูลมาแล้วแต่คุณไม่เอาจะมาแต่คุณไม่ยอมเล่าว่าราซูลมาจะนั้นคุณขอกันเองเออขอจะอลัลลอฮ์กันเองเอลัลลอฮ์เล่าเองวะมาดุลกาฟิรินการวิงวอนของผู้ปฏิเสธหาใช่อื่นใดไม่อิลลฟิบอเล นอกจากอยู่ในความหลงทางไร้ผลสูญ์กล่าวหมดเลยบรรทุน ญ, ญาเนี่ยเลาให้อย่างเดียวแต่อาคิเราให้ไหมไม่ให้แล้วได้ยังรครับฉะนั้นการมีรสูนไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กๆนะการมีรสูนเะนี่ยอัลลอ์ส่งรสูนมาเพื่อมาชี้ทางนำให้กับเราไม่ให้เราทำอะไรตามใจชอบนะแล้วอลัลลอฮ์ก็กล่าวว่านาบีมุฮัมมัดเนี่ยว่ามาย้มติฟูอานิลเาว่า แท้จริงนบีไม่เคยพูดตามอารมณ์นะยี่สิบสามปีของการเป็นนบีเนี่ยไม่เคยพูดด้วยอารมณ์สังนิดหนึ่งนะการยิ้มเป็นสุนนะโกรธบ้ามันข้ามบังค า, งาเป็นสุนานะนบีแล้วนบีนี่ให้อภัยคนมาตลอดนี่เป็นสุนานะนบีที่ดีที่สุดที่อลัลลอฮ์พอใจแต่เร า, มาไม่ก็ไม่ไม่ได้เรียนนะมันจะใส่ใจครับอย่างนี้เป็นต้น วัมาดุอาอุลกาฟิรินแต่การวินวอนของผู้ปฏิเสธหาใช่อื่นใดไม่นอกจากอยู่ในการหลงทางไรผลศูนย์เปล่าเห็นยังครับอัลลอฮให้คนกาเฟชเฉพาะทีโลกโลกเดียวหลังตายเจอไหมอันนิฟารออัลลอเาเองใช่ไหมถูกลงโทษวันละกี่ครั้งวันละสองครั้ง อูดูวันว่าชียันยามเช้ากับยามเย็นถูกลงโทษงานดูการฝันอ่ะอัลลอฮฺจะเสนอไฟนรกให้เห็นน่ะเห็นนรกกับที่อยู่ในนรกอ่ะเอ้าอ่ะมือแตกอ่ให้วิญญาณเห็นน่ะเห็นยังครับนี่ถ้าเรานอนฝันทุกคืนฝันไม่ดีไม่ดีไม่ดีดนะ<ม>่ะเครียดเหมือนกันน่ะตื่นมาตรีสาูุนอนไม่ได้แล้วฉะนั้น บุญดุงยาเอาล่อเอาไปเริ่มลงโทษตั้งแต่นายวิญญาณมาถึงก็หอยเห็นหมดแล้วอลัลลอฮ์ที่ฉันไม่เอาอิสลามเจออย่างงี้เจออย่างนี้อย่างงี้หมดเลยครับแต่จะบุญดวงยาเนี่ยเราสั่งอย่าบังคับ ใ, ใครให้เขาใช้สมองให้เรียนใช้สมองกับเรียนใช้สมองกับเรียนนะครับถ้าไม่ใช้สมองกับเรียนก็ไม่เป็นปัญหาก็อยู่ไปดุงยาอร่อยนะยิเป็นต้น อายนี้ตรงการจะเตือนบอกว่าสฟาอายนี้นะอายที่ห0สิบเนี่ยสฟามีครับขอขอพอแล้วได้รับไหมไม่ได้รับแต่ผู้ศรัทธาต่ออัลลอ์ถ้าทำอะไรผิดโอกาสที่มีส้าเข้ามาช่วยได้ทีนี้คนที่จะได้รับส้านี่ต้องมีเงื่อนไขหนึ่งต้องเป็นมุมินสอง ต้องมีงานอามันที่ซอแล้วย่างน้อยเจ็ดแปดข้อนะหนึ่งต้องรู้ขึ้นนมาแต่ฮัตยุดธอยู่เป็นบ่อยๆโอ้สำคัญมากนะแล้วก็อ่านกุรานสม่าเสมออย่างน้อยก็หนึ่งสุราบกกรองอาละเาอิมรอนหรือสุราตาบารกันลยดีพยายามอ่านทุกวันนี่แหละอ่านทุกวันแล้วก็เมื่อใช้ชีวิตจำไปทำอุมรที น, นครบริณหา ม, มีปัญหาด้วยร้อนเนี่ย ่าไปบ่นเยอะเนี่ยสอนองมารยาทหมวเลยนะแล้วก็เรสเพคให้เกียรติพ่อแม่ตัวเองครอบครัวตัวเองดูแลสอนอิสลามนีม่แหละจะไปสอนเรื่องอืนนะ่นอะถ้ามีสิ่งเหล่านี้เป็นตัวช่วยนะชาฟะง่ายมาแต่คนกาแฟมีไหมไม่มีครับทรมานนะครับต่อมาอายาสุดท้ายนะครับ إنا لنصر ر س ُ ل ن ا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد إنا لنصر ر س ُ ل ن ا والذين آمنوا ฟในฮียาติดุนยาวันยาว์มาอยูมืออัชญาดักรขลบคุณนี่สบายใจอาณาญานี่มีอะไรมีความมีความหวังนะครับอินนาแปลว่าแท้จริงเราละนองสุรุมาจากนาซาราฟก็ว่าช่วยเหลือเราเรา ช่วยเหลือใครครับรู้สูละนะร่านารสูลของเราทั้งหมดที่อลัลลอส่งมาบนโลกใบนี้ช่วยหมดเลยนบีทั้งหมดที่อลัลลอฮส่งมาในถูกดามทุกคนเลยนะไม่มีใครเลยที่จะเอาอยานาบีอิสาเนี่ยถูกใส่ร้า ย, ายด่าทั้งแม่แต่แม่นบีนะ นางมารยามว่าเป็นไปทองมาโดยไม่มีพ่อข้อที่สองดานบีอินซาว่าเป็นลูกไม่มีพ่อแล้วก็ยาฮูดีเนี่ยต้องการที่จะฆ่านบีมูซา่าละฮูดีมันก็วางแผนว่าฆ่าแล้วอะเอาไปแขวนายบนไม้ก็ไม่กังเขนแต่ไม่ใช่ถูกสามรายการนี่หนักมากนะหนึ่งถูกดา มะนาบีซาถูกด่าว่าเป็นเป็นผู้หญิงที่ไปท้องมาโดยไม่มีพ่อด่านาบีซาว่าเป็นลูกไม่มีพ่อแล้วก็ต้องการที่จะจับขึงโอมายังเขนเอลัลลอ์ยกนี่ไงอลัลลอ์นี่นงลน้ำซูรุซูละนาอัลลอ์นี่นะช่วยช่วยช่วยเบารอสูนของอลัลลอ์ทุกคน ให้ปลอดภัยหมดแต่ว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยครับในการเผยแผ่อิสลามไมา่เหนื่อยได้ไม่เหนื่อยเหนื่อยครับฉนั้นงานดาวาเนี่ยเป็นงานที่เป็นงานที่มีรางวัลเยอะแต่เหนื่อยครับมีใช้เงินตัวเองอีหละเอาล้อไปพูดดีกอะเข้าไปในมึงอย่ามาพูดกับกูทุกตลอดเนี่ยอย่างนี้เปนต้นนี่เอาล้อเล่านะเราช่วยช่วยรอยูญของเราทั้งหมด อ้าฟาร่กับนบีมูซารูนึกภาพไหมนบีูซาเหนื่อยป่าวเหนื่อยมากก่อนเป็นนบีหนีแล้วใช่ไหมสิบปีไปเลี้ยงแพะก่อนทําไมต้องเลี้ยงแพะคนจะอยู่กับคนเนี่ยนะคนที่จะสอนคนนะต้องเลี้ยงแพะก่อนเนะพราะแพะเนี่ยเป็นสัตว์ที่สนที่สุดในบรรดาสัตว์ทั้งหมดที่เอาล็อตประทานลงมนาะท่านคนที่อยู่กับแพะเนี่ย ดูแลแพะเนี่ยมันสนแพ้เพราะอยู่กับคนไม่ยา ก, กยนี่เป็นต้นนะคัั็ลิลล้เอาต่อมาครับแต่ลมาทุกทุกนบีนี่นะถูกเล่นงานหมดอินนบีมุฮาาัมมัดในถูกเล่นงานหนักไหมหนักแต่ละบีเอาเรื่องไหมให้อาภายัยอย่างนี้เป็นต้นวันละนามนนและบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหมดทั่วโลก อืมเนี่ยอัลลอ์ช่วยดูแลครับอัลลอ์า บ, บดูแลอะไรบ้างให้มุสิมมีมัสยิดเห็นยังครับตรงนึกตรงนี้มนะมีมัสยิดได้นำมาที่มัสยิดมีคัภีร์อัลกุรอานมีสุนานะบีนีด่ดูดูแลอย่างดูแลแล้วนะเดินตามอักุรอานอย่างนี้ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงทำยังไงพวกอัลกุรอานพวกนสูร์ตัฮรมเนี่ย การดูแลสุขภาพเนี่ยนะอยากินอาหารจนกว่าจะได้กินผลไม้ก่อนอายะไหนครับว่าฟ้าที่หาทิมมิมายะตะคอยยรูนวัลหมิโตยิมมายะส ต, ตะวูมิโนอาหารในสวรรค์นเนี่ยนะเมื่อมุสลินเข้าสวรรค์แล้วมิโนอาหารมื้อแรกคือผลไม้วางอยู่บนในสวรรค์เต็ไมไปหมดเลยเลือกทาน แล้วก็ตามด้วยเนือหนุกตามด้วยโอรุไนเม่น่นนนาท่านอัลลอเนใ่ยช่วยมุมินตลอดอยู่บนดุนยาไปนี้ไม่ให้หลงทางทำยังไงนี่มานั่งคิดเรื่องกูโบนี่ศาสนาไหนสอนว่าเดินผ่านกูโบเนี่ยให้นึกถึงความตายอิสลาม แล้วก็อาซาคุโบมีป่ามีครับแล้วเราจะสอบคนในกูโบน่ะสามเรื่องแล้วจริงไหมจริงครับ น, น, นี่ยัเนี้ช่วยแล้วนะให้คุณปลอดภัยในกูโบแล้วคนที่กล่าวปลิ ม, มาสุดท้ายว่าเลออิลอฮ์อินลอรลอก็อได้อะแต่ไปสวรรค์แน่นี่ทางเอาไว้ยังช่วยยังช่วยแล้วมีมักก์มีใบตุ้มหรอ มีนบีมุฮัมมัดมีอัลกุรอานนี่เป็นทางทีรอดหมดเลยอ่ะเวลาเครียดอันซิกุรุลละอย่างนี้อย่างญาติฟาโรที่ฟาโรสางฆ่าเนี่ยอันดูอา บ, บนายที่ที่ที่ใหม่อะไรนะต้องถูกจับเนี่ยแล้วนี่อูดูอาว่าไงนะพูดใหม่บางทีมันลืมว่าไงนะ อุฟาวิลุอัมรีอิลลอห์ใช่ไหมเนี่ยพยังจำดูอะตะลาวะตะลาวะตะลาวะอุฟาวิลุอัมรีอิลลห์อฟาวิุอัมรีอิลลอห์แต่แปลภาษาไทยก็คือฉันขอมอบภารกิจของฉันให้อัลลอฮ์ไปดูแลจัดการแทนด้วยยังม่เป็นรครับลงว่าอัลลอฮ์ช่วยไหม ช่วยรอซูลของอัลลอ์ทั้งหมดและบรรดาผู้ที่อีมานต่ออัลลอ์ทั้งหมดทั่วโลกวันนี้มันสอง0พันล้านแล้วนะ mm hmm. ฟิลฮายาติดดุนยาชัดเจนเลยชีวิตบนโลกดุนยาทั้งหมดอัลลอ์ช่วยให้รอ mm hmm. แต่เหนื่อยไหมเหนื่อยชีวิตนบีอย่าเล่านาบีนบีนอนบนอะไรบนที่นอนหรือว่านอนนอนนอนนอ น, นอนบนบ น, บนพรม นอนบนเสือครับนบีเคยทานอาหารวันทังสองมือท้องอิ่มมีไหมไม่มีครับถ้ากินมือหนึ่งก็อีกสองมือก็กินผัพล้งกับน้ำอ่แล้วก็นบีเนี่ยสหบานนบีเนี่ยมหาณบีต้องการจะโชวนบีขออาหารหน่อยเปิดท้องให้นบีดูมีหินก้อนหนึ่งพอ นบีก็เปิดมาสองก้อนเห็นยังนั่นชีวิตของนบีเนี่ยผู้ต้องการจะสอนสอนพวกเราว่าลงดุนยามากจะไม่ดีนะอา้าวฟาโรห์มีทุกอย่างแต่ไปไหนไปนะรกไซนาบิลานมีอะไรอ่ะบ้านไม่มีภรรยาไม่มีครอบครัวใหญ่ไม่มีรถไม่มีตำแหน่งไม่มีมีเป็นเป็นคนอาจารย์แบบมัดเราเนี่ยใช่ไหม แล้วก็มีอามีน้ําน้มาแล้วก็น้ำ ม, มาอะไรนะสุนัตสอนมาเราอาดทุกครั้งที่อาบน้ำน้ำมาไปไปสวรรค์นะเห็นยังอ่ะนี่พูดเตือนเตือนกันหลายๆครั้งเนาะให้เราได้นึกเราเนี่ยหลมอะไรกันแง่ตักวันนี้อย่างนี้เป็น ต, ต้นนะครับอินาานาเลนซุรุรุซุเลนาวลล์ีนาอาเมนูฟิลฮะยาติดุนยาบนโลกดุนยาไปนี้อัลลอฮ์ช่วยเหลือ ่วงรสูญของอัลลอ์ทั้งหมดและผู้ศรัทธาทุกคนบนโลกดุนยาไปนี้ตัวอะไรต้องไมกลัวใจเราต้องผูกพันกับว่าตลอดเวลาต้องนึกถ้านี่ยก็มาอัลลอฮ์ถ้าอยู่ก็อัลลอฮ์อยู่ก็อัลลอฮ์ถ้าอยู่ก็อัลลอฮ์บอกลูกสาวเราลูกชายต้องแต่งงานใช่ไหมให้ขอมาอัลลอฮุมะเซวิญนี เจ้าญาติสอนลิขิตันตนีบอกลูกหลู้ชายให้ขอมาอานคนี้ให้อวดรอดให้ขอฉันได้แต่งงานกับผู้หญิงที่ดีๆแล้วก็บอกลูกชายให้ขอทุอาอาลัลลอฮฺว่าเจาวิเดนีเจ้าญาติสอนลิข์ขอฉันได้แต่งงานกับผู้หญิงที่สอนลิข์ต้องขอทว่งอาทำไมต้องขอละ่ะก็นบีสอนมาเชื่อรองเท้าขาดเนี่ยยังขอทุ่งอาถอดรอดเรื่องใหญ่ๆอย่างนี้เจ้าจะไม่ขอเนี่ย แต่คนกาแฟไม่จำเป็นตองขออะไรใไหมล่ะฉันรูปหล่อตัวอย่างนึงพ่อรวยมีรถขับนี่มันเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้คนหลงอ่ะก็ไม่มีปัญหาแต่มุมนน้อมน้อมทำตนตอลอดตลอดเวลาทีไม่ต้นะรับวายาุมายากูุมุลอชาติแล้วช่วยเมื่อไรอีกครับวันวายาุมาและวันอยากูมยืนขึ้นอรอ วันฟื้นคืนชีพในวันกิยามะอัลอาชาดบวงพยานเรานี่นะเป็นอุมาหนาบีมุฮัมมัดจะไปยืนขึ้นในทุ่งม้าชัดอลัลลอฮ์จะถามเป็นพยานบ่าว่ามุฮัมมัดมาคนที่รักษาสุนั่หนาบีก็พูดว่าแน่นอนฉันรุดฉันเนี่ยนะทำอย่างนี้ตามมุฮัมมัดหมดเลย แลขถามที่คุโบอีกใช่ไหมรู้จั ก, จกมูฮัมหมัดมารู้จั ก, จกนบีเปล่าฉะนั้นอาเราเนี่ยเป็นพยานนาบีก็เป็นพยานถูกสอบเราก็ถูกสอบบรรดา น, นาบีนบีที่มาในยุค ก, ก่อนๆถูกสอบหมดเลยเอลัลลอฮ์สอบนะและยุคใครยุคมันยุคของเรานี่นบีมูฮัมหมัดจะอยู่ในประเทศแอฟริกากของของมูฮัมหมัดเพราะนาบีมูฮัมหมัดเป็นนบีคนเดียวที่สอนอิสลามทั้งโลกอ่ะ แต่นบีที่มาก่อนหนะ้นานบีองค์หนึ่งเนี่ยสอนเฉพาะประเทศเฉพาะกลุ่มเฉพาะกลุ่มเฉพาะกลุ่มมันต่างกันแล้วก็ต้องเรียนนะเรื่องนี้จะนั่นจะอยู่ตรงไหนของโลกก็ตามฉันเต้า อ, อีมานต่ อ, อนบีมุฮัมมัดอีมานต่อ AH, อัอ AH, ออลลอฮ์อิมานต่อรสูลอีมานต่อมาลายก็อย่างนี้เปนต้นนี่อัลลอฮ์พูดสบายใจใช่ไหม Allah อัลลอฮ์อัครวัดวายามายากูมุลอชาชาเลกวันซึ่งปวงพยานจะยืนขึ้น ยืนยันกับอัลลอฮ์สุบฮานหูวะตาแลาวอันนัสรูฟิดดุนยาเนี่ยตะกี้พูดไปแล้วใช่ไหมประทานอัลกุรอานเป็นหลักฐานแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็ยกตำแหน่งให้สูงขึ้นใช่หรือไม่ใช่ใชอัลลอยกมุมินเแลว ย, ยกแล้วในมอเตอร์ไซคโซโนอฟคงเดกไทยก็ได้โภกส ร, รบานนี่แหละภาสาโต๊ ใช่ไหมที่พอมองคนคาเฟ่นเนี่ยพอมีตำแหน่งปั๊บโอ้โหฉันต้องเดินตามยิวทำไมไม่เดินตามนาบีบ้างมาใจห <c oughs> น้าทองทอมตนใช่ไหมอัลลอฮอัลลอฮจากนี้ไปตนตนในอย่างหนึง่งอัลลอฮช่วยมุสมิเน่เวลาได้รับความงานจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จเนี่ยต้องมอบหมายตนต่อ ลรามีสบักมีอิมานเป็นเครื่องมือที่จะช่วยเราปลอดภัยบนโลกดุริยางค์งนี้อาการการการทดสอบจะรอดมีไหมมีเรามีมีอยู่แล้วนะแต่ทดสอบไม่นานนะครับเทสนิดหน่อยวันสองวันสามวันเพราะมีเครื่องมือมโอ้ถูกทดสอบอย่างนี้อัานดวงบทนี้ถูกทดสอบอย่างนี้อัานดอาบทนี้อย่างนี้เป็นต้น น, จะจนะครับก่อนจะจบนะครับลักษณะ ของคนต่อต้านอิสลามเนี่ยจะล่าในฝันนะข้อที่หนึ่งจากจากคำพิการนะครับ <c oughs> คนที่ต่อต้านอิสลามเนี่ยกลุ่มไหนแรงที่สุดรู้ไหกลุ่มยาฮูดกลุ่มยาฮูดนะยาฮูดีนะหนึ่งอีกจากกูนะครับ กลุ่มจะพูดเนี่ยสู้อุลอาดมีมารยาทที่เลวข้อที่สองตหารีฟกาลาบุลลอฮ์เปลี่ยนแปลงพนจานานของอัลลอฮ์ข้อที่สามกิจมานุลฮักปิดบังความจริงโรคโควิดเนี่ยหลอกกันมาเยอะทหลอกกันมาเยอะนะก็ดูเองมาแล้ว็เราเราเรารู้เร่องนี้ใช่งไหมทุกลอกครับ ไม่ให้มาให้เรากินมะพร้าวจะวังนะมะพร้าวจะเป็นอะไรนะโรคหัวใจนะกินได้ไดมมะพร้าวเนี่ยเป็นตัวทุกข์ลอ่ะใครปิดติบังความกินจะหูทั้งหมดนะเนี่ยรอดได้ก็นาย็นอานนะไม่เชื่อก็ได้นะข้อที่สี่ไม่ศรัทธาต่อประการรสูลของอัลลอ์ทั้งหมดข้อที่ห้าวางแผนฆ่านาบีไม่สมเั็จที่ฆ่าได้ก็มีนะ นบียฮียาถูกฆ่าน บ, บีอีซาจะฆ่าเหมือนกันแต่อัลลอฮฺเมตา ย, ยกขึ้นไปก่อนแต่จนลงมาใหม่อีกทีนึ่งข้อที่หกหน้าไหว้หลังหลอกนี่อยา่าูดดีนะข้อที่เจ็ดหัวใจแข็งกระด้างไม่สงสารคนเลยไม่สงสารใครเลยนะข้อที่แปดรังเกียจพี่น้องมุสลิมแล้วก็ได้ยินคำว่ามัตตาราซานี่ของขึ้นเลยนะ มัรวว่าโรงเรียนใช่ไหมพ่อโรงเรียนเนี่ยเขาจะสอนเรื่องกูรณาหนึ่งสุนทรภีเรื่องพ่อแม่สั้นคาว่ามัตร์เนี่ยแต่เข้าหูพวกนี้มันลมขึ้นต่อมาครับข้อที่เก้าอาดัมอลินติฟาบิลมีไม่ได้เอาความรู้ที่มีประโยชน์มาใช้ประโยชน์ให้กับสังคมมันเป็นตัวนำหมดเลยนะข้อที่สิบนะครับ พึงพอใจที่จะทำความชั่วโอ้เรื่องหนักครับข้อที่11ชอบกระจายความเลวร้ายเข้าไปในชุมชนของมนุษย์ทั้งโลกเอาของเลวๆรวรายเตล็นรำกินเหล้าเป็นการทา น, นันโอโลของฮารามฮารามของที่อโลอห้ามทั้งหมดนะมันก็เอาไปในเข้าไปในชุมชนหมดเลยครับข้อที่12บโกบเงินประชาชน ข้อที่สิบสาหลงดุนยาพันเปอร์เซนต์เลยข้อที่สิบสี่ที่ขาดถึงไม่ได้สร้างร ะ, บงระเบิดสร้างเครืงบินเอามาลงเล่นงานคนอื่นแทนตัวมันมันนั่งหลบอยู่อ่ะอันนี้ไปอ๋ออันนี้ไปอันนี้ทางนี้เป็ต้นนะครับข้อที่สิบห้าขี้เหนียวเคยประจ่ายใครบ้างไม่แต่คนมุสลิมตอนนั้นเองข้อที่สิบหจองของเย่อหยิง ข้อที่สิตั้งพาคีกับอัลลอ์อนี้ต้ข้อ่นะกุรอานทั้งหมดนี่เป็นลักษณะของคนที่ต่อต้านอิสลามหมดเลยครับนำโดยใครอัลยะฮูดอย่างนี้ต้บทเวลาครับลลอฮุะบิฮัมดิกะลลาอิลอิลลอัต